พุทธวัตรสวัสดีค่ะได้เวลาดีของเรากันอีกแล้วนะคะที่จะมาพบเพื่อตักตวงคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านคําพูดหรือว่าพุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษของพระพุทธองค์เลยนะคะแล้วรายการนี้ก็พยายามใช้เวลานาทีให้มีคุณค่ามากที่สุดคือนอกจากจะได้ฟังเรียนรู้จากการฟังแล้วก็ยังให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วย โดยท่านมาร์กนะคะพระมาร์กชาควโรวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์สุทธิพโลเนี่ยนะคะจะมาเป็นผู้ที่ได้บอกสอนพร้อมกับนําเอาพุทธวจนะมาฝากค่ะน้อมสักการะท่านค่ะเจริญพรวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติเจริญอาณาปานสติเพื่อทําความเพียรเผาขีเลศกันต่อพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย เราก็ตั้งสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตหลุดไปคิดในเรื่องใดก็ให้รีบหนึ่งกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรือว่าเอเรียบทอื่นๆของกายพร้อมกับฟังพุทธวจนะคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงการเกิดขึ้นของพระองค์ไว้ดังนี้ว่า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 เรื่องของการไม่ให้เพลินอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านได้ตรัสว่าดูก่อนมิขเชระรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเสียงทั้งหลายอันจะพึงได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูก รถทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นโพธพภะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดยอมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พรำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะและธรรมารมณ์นั้นไซตนันทิ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 ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามห า, ามาตของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามถึงกระ์นั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่า ตันหานั่นแหลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตันหานั้นอันภิกษุละได้เสียแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวดังนี้แลดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่สยบโมเมาในรูปเสียงกลิ่นรสปรตฏ ะ, ะและธรรมอารมณ์ซึ่งจะทำให้ตัณหานั้นเลาละเสียได้ซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวเพราะไม่มีการที่จิตนั้นผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปฏิบัติกันต่อ วันนี้ก็ต้องน้มสักการขอบคุณพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมสักการกันทัน้งค่ะ